เราก็พยายามข่มจิตขนใจเราพยายามทําให้ได้ทําให้ได้ทําไม่ได้จริงๆเนี่ยคุณก็วางได้มันก็จะไม่ถึงกับเพราะว่าถ้าคุณทําไม่ได้เนี่ยนะอ อ, อารมณ์ของความไม่ชอบใจเนี่ยมันจะทวีขึ้นเรื่อยๆเพราะไอ้จิตเนี่ยมันจะไปคอยยิ่งบอกแล้วยิ่งเขาเขาทําไม่หยุดอ่ะเขาทําอยู่เรื่อยทําอยู่เรื่อยทำอยู่เรื่อยตลอดเวลาเนี่ยคุณจะยิ่งรู้สึกเลยออื คือจิตเรามันมันจะไปปรุงไอ้เรื่องนั้นเนี่ยคือพอมันไปปรุงมันไปฟุ้งเรื่องนั้นน่ะเรื่องนั้นยิ่งมีอิทธิพลพูดง่ายว่าเรายิ่งไปเพิ่มดีกรีไปเพิ่มความไม่ชอบใจเพิ่มความร้อนให้กับจิตเราเพราะถ้าคุณเนี่ยคมอารมณ์ไม่ได้คุณสมถะก็ไม่ได้คุณวิปัสนาลงไปไม่ได้ไม่มีทางอื่นเลยคุณต้องออกจากพื้นที่นั้นเพราะรับรองเลยเดี๋ยวได้เรื่องเดี๋ยวคุณจะต้อง โกรธหรือว่าต้องไม่ชอบใจแล้วก็ต้องไปเล่นงานเขาแน่นอนรับรองเลยเล่นงานแน่แต่ถ้าเราแวววายแล้วเราเออฝึกสตินะฝึกจิตของเรามาบ้างพอสมควรแล้วมันรู้เลยว่าตอนนี้อื่นอาจอากาศเคืองแล้วแล้วมันก็จะพยายามขม่มอารมณ์แล้วก็ปรับจิตปรับใจเราถ้าเราทําแล้วมันก็จะได้คุณฝึกไปฝึกแล้วก็จะได้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ย ในการงานในความเป็นจริงของชีวิตเราเลยแต่ระวังนะคุณอย่าฝึกแล้วแบบเก็บกดเอาไว้เฉยเถ้าคุณแบบสมาธาแบบรือสีเนี่ยมันจะเก็บกดเอาไว้เฉยๆคือพูดง่ายๆว่าไม่ชอบใจแล้วก็กดเอาไ ว, วา้ว่าว่าอ้าข่มมันเอาไว้นะดันดันออารมณ์ความรู้สึกที่ไม่ชอบใจเนี่ยนะดันเอาไว้อย่าให้มันโผล่หัวขึ้นมาได้ แต่คุณดันไปเหอะคราวนี้ออมาจจะผ่านไปได้แต่ไอัที่คุณดันเอาไว้เนี่ยมันยังดันเอาไว้แค่ไหนมก็แค่นั้นนะมันยังขังอยู่ในจิตของเราแต่พอเขาหน้าเจออีกนะโอ้โหไอที่มันมีอยู่แล้วเดิมเนี่ยมันก็จะยิ่งทะลึ่งพวดทะลุทะลวงขึ้นมาใหญ่เลยนะเพราะว่ามันจะสะสมกับของใหม่แกของใหม่ที่เราก็เอ้อไม่ชอบใจอีกแล้วเข้ามาเพิ่ม ว่าไอสภาพความเกตกดเนี่ยที่บอกว่าไปไม่รอดเพราะว่ามันจะทบต้นไปเรื่อยทบต้นไปเรื่อยข้าวที่แล้วคุณไม่ได้ล้างทิ้งเพราะคุณสะสมไว้สมมุติว่าสองกิโลขาวที่แล้วข้าวใหม่คุณไปเจอสมมติเอเอลองอีกละลองอีกละนะมาวงเดิมอีกละนะวงยูทูว์อะไรนะมาอีกละ้องอีกละนะยิ่งแบบเนี้ยเราก็ ของเก่ามีอยู่สอกิโลแล้วใช่ไหมของใหม่ไม่ชอบใจเข้าไปอีกอสมมติเพิ่มอีกสักกิโลหนึ่งแต่เราก็ขมลงไปอีกแต่คราวนี้เราขมเนี่ยเราขมไว้กี่กิโลสามกิโลแล้วนะคุณมันไม่ใช่ขมเท่าเก่านะมันต้องขมสามกิโลทีเดียวเพราะว่าของใหม่ที่เราเได้ยินเสียงขึ้นมาเราไม่ชอบใจะนะมันทํางานแล้วนี่แต่พอเรารู้รตัวปั๊บเอา้าไม่ได้จะรีบปล่อยให้มันโตกันที่อีกไม่ได้เราก็ ดันมันลงไปอีกเพราะมันทบต้นไปแล้วเป็นสามกิโลนี่จริงๆสภาวะหนักขึ้นแล้วนะเสร็จคราวหน้าคุณไปเจออีกแล้ไอ้หน้ากาววงเดิมเนี่แหละไม่ไล่ไม่เลิก <c oughs> นะร้องอีกแล้วโอ้โหคุณเอ้ยคราวนี้นะไอ้สากิโลนั่นบอกแล้วน้ําหนักมันมากกว่าเดิมยังมันก็จะยิ่งดันแรงขึ้นอีก เพราะฉะนั้นคนที่บางทีเนี่ยที่บอกว่าเก็บกดไว้แล้วมันทนไม่ไหวมันระเบิดเนี่ยคือสภาวะที่สะสมไว้เนี่ยแรงดันเนี่ยมันมันมากเข้ามากเข้าเรื่อยๆเพราะฉะนั้นวันหลังสุดเนี่ยที่บางทีที่จะระเบิดเนี่ยวันที่จะระเบิดบางทีเนี่ยเขาสกิลองนิดเดียวเท่านั้นเองอ่ะคือวันนั้นอาจจะร้องเพลงเพราะมากเลยนะไอ้วันสุดท้ายที่จะระเบิดอาจจะร้องเพลงไพเราะมากเลยแต่ไอ้ที่เราสะสมความไม่ชอบไว้มันเยอะ มันเยอะจนมันมันใกล้จะระเบิดแล้วอะ่ะเพราะงั้นคราวนี้ไอ้นี่ร้องมาหน่อยเดียวเท่านั้นเองเราเราไม่พอใจทันทีเลยทางหน้าที่คราวนี้เขาร้องดีฟังเป็นเพลงอ่ฟังแล้วก็เออจริงจรมันน่าจะเข้าท่านะแต่ไอ้จิตที่เราสะสมความไม่ชอบมันมันเต็มที่แล้วต่อให้คุณร้องเพลอที่สุดในโลกขนาดไหนเลยก็ตามคือมันไม่คิดว่าเพราะอะไรละแต่มันกลายเป็นไอ้ประกายไฟเลยนะ ที่จะมาจุดระเบิดทันทีเลยเพราะคราวนี้เนี่ยเยพียยแค่ประกายไฟจุดมาเท่านั้นเองเนี่ยไอ้ที่คุณหมักมมสะสมไปนี่ตูมเลยทันทีโอ้โหแล้วรุนแรงด้วยนะตมูมเลยรุนแรงคราวเนี้ โ, โหทั้งอัดทั้งดาทั้งว่าทั้งอะไรนี่มันไปหมดเลยเพราะมันเก็บกักแล้วก็หมักหมส ม, มไว้เยอะวันนี้จําไว้เลย นะว่าในการทำงานของพวกเราพยายามอย่าไปเก็บกดเอาไว้คุณจาไว้อย่าไปเก็บกดไว้เพราะสมถานเนี่ยมันดูในเบื้องต้นมันดูดีเหมือนกันไวดีเหมือนกันกฎข่มลงไปแล้วก็ใช้ได้แต่ความจริงมันไม่ใช่ความจริงอ่ะมันห ม, มักหมมเอาไว้วันพยายามถ้าจะใช้สมถะต้องใช้สมถะแบบของพุทธคือพอกฎข่มไปแล้วก็ต้องมาพิจารณามาล้างมันออก มาล้างมันออกอย่าให้มันเก็บเอาไว้อีกล้างออกไปได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่ขีดความสามารถของเราเพราะนั้นพอใครฝึกอย่างนี้ได้นะคนนั้นจะไม่ค่อยมีอะไรมาหมักหมมไว้เพราะสภาว่าทางานเนี่ยเดี๋ยวมีภาดสะใหม่เข้ามาอีกแล้วเรื่องโน้นเรื่องนี้เข้ามาเข้ามาเสร็จเอ้าวคราวนี้ระเบิดยากอะ่ะเพราะไม่ได้หมักหมมอะไรไว้นี่แล้วแต่นี้ยิ่งเราฝึก เราฝึกแบบไม่หมักหมมเนี่ยเราฝึกป้วยง่ายชำนาญในการล้างกิเลสเราเพราะพอเราไปผัสสะของใหม่เข้ามาเขานี่มันไวแล้วผัสสะปั๊บก็เออล้างเมื่อ ก, กี้ก็พูดถึงเนี่ยระวังเรื่องของการเก็บกดคือไปสังเกตดูก็แล้วกันใครที่มีนิสัยชอบเก็บกดคือไม่คงไม่อยาไม่ได้อยากเก็บกดหรอกนะแต่คือไม่รู้ตัวชอบไปหมักหมมแล้วก็ชอบไปสะสมไว้ เสร็จแล้วมาหมักหมมสะสมพอเวลาแก้ชอบใช้แบบสมถะแบบลือสีแก้อันนี้เป็นปัญหามากพอไปใช้สมถะแบบหลือสือแก้ก็อย่างที่บอกก็คือหนีปัญหากลัวปัญหาแล้วก็ไม่ไม่เจอผัสสะคือไม่ยอมเจอผัสสะคือถ้าอย่างเงี้ยเนี่ยเก็บกดไปตลอดแล้คุณเก็บไปนานแค่ไหนก็แล้วแต่คุณลนะคุณจะเก็บไปตลอด เพราะนั้นพ่อท่านเนี่ยมักจะเทศอยู่ บ, บ่อยๆพูดให้พวกเราฟัง บ, บ่อยๆมัทษ า, าศาสนาพุทธแล้วไม่หนีปัญห า, าแต่คำว่าไม่หนีปัญหานี้ก็ต้องรู้นะว่ากำลังเราสามารถจะสู้กับปัญหานั้นได้ขนาดไหนแต่ไม่หนีปัญหาใครที่ยังมีสภาวะอารมณ์จิตที่เรียกว่ายังหนีปัญหาอยู่ให้รู้ว่ายังยังไม่เข้ากระแสแบบของพุทธถ้าเข้ากระแสพุทธแล้วไม่หนีปัญหา เพียงแต่ว่ามันจะแก้ได้ขนาดไหนเท่านั้นเองเรายังไม่เก่งมันอาจจะแก้ได้น้อยหน่อยอใครเก่งมากก็แก้ได้ไวแก้ได้เร็วปรับจิตปรับใจได้เก่งจะเป็นลักษณะนั้นซึ่งอันนี้ไม่ง่ายหรอกเพราะว่าโดยสภาพความเป็นจริงเนี่ยพวกเราแต่ละคนบอกได้เลยมันสะสมแบบรือสีมาเยอะเยอะกว่าแบบผมพูด สิ่งที่เราสะสมมามันเยอะกว่าทุกวันเนี่ยเรามารู้จักศาสนาพุทธนะหรือว่าจะกี่ชาติมาก็แล้วแต่ที่เรามารู้จกักแล้วเราพยา ม, มาล้างศาสนาแบบลูศีเนี่ยเพราะรูษีนี่มันคลองโลกมานานนะนานกว่าศาสนาพุทธนะเกิดมาก่อนด้วยซ้าไปก่อนศาสนาพุทธเพราะฉะนั้นเชียร์ของลูษีเรามันถึงจะเยอะกว่า แม้แต่เอาศาสนาแบบทุนนิยมนี่ยังมาที่หลังเลยยังทีหลังฤาษีเลยนะศาสนาแบบทุนนิยมเนี่ยเออมันยังมาที่หลังฤาษีเยอะฤาษีนี่มันเก่าแก่กว่ากันมากเพราะฉะนั้นมันคลองจิตครองใจเรามานานทีนี้พอเรามาเรียนรู้ศึกษาพุท ธ, ธเนี่ยเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานนี่แหละรู้ไหมรู้ตัวไหมคือรู้ตัวอิเลสเราเนี่ยแหละไ อ, อตัว เก็บกดนี่แหละคุณรู้ตัวไหมเนี่ยเก็บกดไว้อ่าหรือว่าไปใช้แบบสมาธแบบฤาษีไว้เนี่ยรู้ตัวไหมถ้าคุณรู้ตัวแล้วคุณตื่นขึ้นมายัางาบางคนรู้ตัวนะแต่นอนเฉยไม่ยอมลุกขึ้นอ่ะไม่ยอมตื่นขึ้นมารู้ตัวแต่ไม่ตื่นก็มีใช่ไหมนะใช้ป่ะหรือว่าส่วนใหญ่นอนแล้วก็ไม่รู้ตัวงั้นแหะ นะเพราะฉะนั้นความเป็นจริงเนี่ยเยอะเลยนะไอ้ที่นอนแล้วไม่รู้ตัวถูกป่ะคนที่แม้แต่นอนเนี่ยเอามีสติจริงๆอ่ะสักกี่คนถามหน่อยฮะสักกี่คนที่นอนแล้วมีสติได้ดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วคนรู้ตัวนี่น้อยนะไม่ต้องไปเปรียบกับหลับหรอกอันนี้เปรียบตื่นตื่นนี่แหละคนรู้ตัวก็น้อย แม้ตื่นตื่นเนี่ยแตบอกแล้วนะเขาบรรู้ตัวนี่คือรู้ตัวอะไรรู้ตัวกิเลสเราเองรู้ว่าอย่างนี้นะมอ้โหเป็นทุกข์นะแล้วอย่างนี้มันเป็นแบบลือีนะ่มันจะยิ่งทําให้เราเนี่ยต้องทุกข์ต่อไปอีกยาวนานนะเพราะมันจะต้องเก็บกบเก็บกดแล้วก็หมักหมมเอาไว้ว่าไม่รู้อีกกี่ชาติต่อกี่ชาติลือศีเนี่ยแต่ดูเปลือกนอกเหมือนสบายไงแต่ความจริงอุย้ยอีกยาวกว่าจะพ้นทุกขนะ์ วนพอรู้ตัวอย่างนี้ใช่ไหมตื่นแล้วยังอ่ะตื่นนี่หมายถึงว่าลงมือแก้ไขปรับปรุงตัวเองหรือยังวันบางคนเนี่ยฟังไปเนี่ยรู้เอ้ยอย่างนี้มันสมาธิเกินไปอย่างนี้มันอะไรอ่ะหนีปัญหาเกินไปอย่างงี้มันอะไรอ่ะไม่กล้ามีภาษสะอะไรเลยรู้แต่ไม่ตื่นไม่ตื่นคือไม่ยอมเปลี่ยนแปลง ไม่ยอมแก้ไขตัวเองยังจะเอาไปตามเดิมอีกพอเวลาแก้ปัญหาเจอคนไม่ชอบใจไม่พูดด้วยไม่คุยด้วยเอา้างี้คุณจะไปเปลี่ยนอะไรอะ่ะคุณก็ไม่เปลี่ยนทีคุณก็ทําแบบฤาษีมันเดิมอีกแล้วเมื่อไรอะ่ะอย่างงี้มันมันยังไม่มาถึงพุทธะตัวที่สองเลยนะ ม, นมันอาจจะได้พุทธะตัวแรกนะแค่แค่รู้รู้ตัวแต่ยังไม่ตื่นตัว มันแค่รู้ตัวแต่ยังไม่ตื่นตัวเพราะถ้าตื่นตัวเนี่ยทันทีเลยโอ้โหเรายิ่งโกรธเรายิ่งไม่ชอบใจคนนี้ใช่ไหมเพราะฉนั้นพุท ธ, ธะตื่นตัวยังไม่ต้องไปแก้ไขเขาหรอกแก้ไขตัวเราแก้อย่างไงบ้างละ่ะอ่าเพราะฉะนั้นบางทีเอาแล้วก็คิดมุมดีของเขาบางเอาหรือยังไงจะแก้จิตเราบางทีโอ้โหมองยังไงก็ยังเห็นมุมดีไม่ออกเลยอะแล้วจะทํำยังไงคราวนี้ อาตมาจะบอกให้ก่อนถ้าไม่ชอบใจเนี่ยนะถ้าคุณมองออกนอกตัวเนี่ยนะอันนี้คุณเปลี่ยนยากเพราะจิตมันไม่ค่อยยอมหรอกเพราะเราไม่ชอบใจอะไรใครเนี่ยมันจะคิดแต่แง่ลบกับเขาจะพยายามให้คิดแง่บวกยังไงแง่บวกยังไงมันคิดไม่ค่อยขึ้นหรอกอาตมาถึงบอกว่าพยายามอย่าอย่าเพิ่งไปยุ่งกับคนอื่นเขาถึงบอกว่าให้มองเนี่ยให้แก้ที่จิตเราเองเนี่ยจะแก้ยังไงยอย่างเช่น อาถามง่ายง่ายนี่พ่อท่านถามอยู่บ่อยวันนี่ยเราไม่ชอบใจใครเงี้ยโอ้โหมันหวานดีเหรอใจเราเนี่ยมันมันอเด็ดอร่อยดีเหรอไม่ชอบใจใครอะ่ะมันทุกข์ใช่ไหมไม่สนุกอะไรเลยอะ่ะนี่พอแค่เราคิดแคน่นี่เรื่องของตัวเราเองนะยังไม่เกี่ยวกับเขาเลยเราไม่ชอบใจใครเนี่ยโอ้โหทั้งเจ็บทั้งแสบทั้งปวดทั้งคันคั น, นหัวใจบางทีเราเห็นเลยบ่านโอ้โหแค่นี้เราก็ทุกข์เราก็ลําบากละ บางทีก็แคย่ยังไม่ทันต้องเห็นหน้าเลยแค่จะยินเสียงก็อืมอึดอัดขัดเคืองแล้วโอ้มันมีความสุขตรงไหนเนี่ยเออมันไม่มีเลยเห็นไหมเนี่ยแค่คิดตัวเราเองเนี่ยแล้วเรื่องอะไร เ, เราจะมาทุกข์อยู่อย่างนี้อ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะพ้นทุกนี้เราต้องเป็นไงเออแทนที่จะไปเกลียดเขาไปไง เออ<า>ก็เนี่ยต้องสนสารเขาหรือให้อภัยเขาไปใช่ไหมเอออย่างเงี้ยเราถึงจะรู้สึกเออเราถึงจะพ้นทุกข์อาตมาถึงบอกคุณยังไม่ต้องไปคิดถึงคนอื่นเลยคุณคิดแค่ตัวเองเนี่ยแหละให้เห็นเลยว่าโอ้หนี่มันทุกข์จังเลยนเนี่ยไอ้ที่เราไปโกรธไปเกียดชังใครเขาอะแล้วยิ่งไปฝังไว้นานวันนานเดือนนานปีนี่โอ้โหดอกเบีย้ยมันต้องเท่าไหร่แล้วเนี่ยใช่ไหมนี่ยังไม่พูดถึงนี่อีกนะ ที่เราเนี่ยไปผูกจองเวรหรือว่าไปผูกอาฆาตพยาบาทอะไรใครเข้าไว้โอ้โหนี่เราเป็นหนี้นะเดี๋ยวว่าหลังยังจะต้องใช้หนี้คืนอีกนั้นเนี่ยไม่ใช่หนี้แค่แค่ตอนนี้นะเดี๋ยวยังต้องใช้หนี้ในอนาคตอีกเพราะนั้นแค่พิจารณาอย่างนี้ขึ้นมาเท่านั้นเองเราก็จะรู้เลยว่าโอ้โหเรื่องอะไรอะเรื่องอะไร เราควรจะปรับปรุงเราควรจะเปลี่ยนแปลงตัวเราได้แล้วอย่างเงี้ยถึงจะตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมามันก็เอ้ยถือศีลตั้งตาบาหรือว่าจะสำรวมระวังอะไรให้มากขึ้นมันจะทําเลยทันทีอย่างเงี้ยเพราะาถ้าใครทาอย่างนี้นะคุณรู้ตัวแล้วคุณรู้ตื่นแล้วคราวนี้คุณจะถึงคุณถึงจะเบิกบานได้ใช่ไหมเพราะว่าคุณเปลี่ยนแปลงเนี่ยคือ คุณมาแก้ไอ้จิตไม่อากุศลเนี่ยจิตไม่ดีของเราพอจิตอกุศลไม่ดีเนี่ยมันลดลงมันโดนแก้เนี่ยมันโดนลดลงลดลงลดลงจิตคุณเบิกบานขึ้นแน่คุณแจ่มใสขึ้นแน่ก้อนตัวที่3มเนี่ยจริงๆแล้วเป็นตัวผลที่จะได้รับจากสองตัวต้นเนี่ยถ้าคุณรู้ตื่นถ้าคุณรู้ตัวแล้วคุณรู้ตื่นแล้วนะรับรองเลยเดี๋ยวความเบิกบานได้แน่เพราะมันต้องลงมือทําแล้ว แล้วขราวนี้คนนี้เปลี่ยนแปลงแล้วจะเห็นเลยว่าคนนั้นตัวเองเปลี่ยนแปลงจริงๆแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงโดยที่เรียกว่าคนอื่นจะเริ่มค่อยๆเห็นขึ้นมาแต่คนอื่นอาจจะเห็นช้าหน่อยแต่เราเองเนี่ยเราจะเห็นก่อนโอ้โหเราเปลี่ยนแปลงจากเดิมจริงๆบางคนเนี่ยกลัวไอ้นั่นกลัวนี่แล้วแวงอะไรต่างๆเข้ากับใครก็ไม่ค่อยได้แต่ขาวนี้จะเปลี่ยนเลยจะเห็นเลยว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้พูดเก่งขึ้น ยิ้มแย้มแจ่มายขึ้นนะโดนด่าโดนว่าก็รู้สึกอือนะ้ายิ้มได้ไม่น่าบึง้งไม่น่าตึงไม่เครียดอะไรเหมือนเดิมจะเห็นเลยว่าพอเปลี่ยนแปลงแล้วเออมันได้จริงจริงนะได้ความเบิกบานเพิ่มขึ้นจริงจริงด้วยซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นไปตามธรรมเลยจะไม่มีว่าถ้าคุณไม่คุณไม่รู้ตัวแล้วแล้วคุณไม่รู้ตื่นแล้วเนี่ยนะสองอย่างเนี้ยถ้าคุณไม่ ไม่ไม่ได้ทํำนะรับรองคุณไม่มีเปลี่ยนอะ่ะคุณจะเป็นอย่างนั้นอยู่เรื่อยอะกี่สิบปีเจอกันไอคนนี้ก็อย่างเงี้ยคือคื อ, ค, อคือมันจะไปในมุมลบก็เป็นมุมลบไปอย่างนั้นอยู่เรื่อยแต่ถ้าใครเริ่มเปลี่ยนมาเป็นมุมบวกได้โอโหเห็นเลยเออมาเจอคนนี้นี่เจอทีไรก็เบิกบานแจ่มใสแฮเออเอ๊ะทาได้ยังไงน่าแปลกใจอืม แล้วมันจะเป็นเป็นไปจริงๆด้วยเพราะฉะนั้นข่าวนี้ถ้าเราเข้าใจ เ, เราจะถึงเข้าถึงพุทธะได้แล้วพอเราเข้าอันนี้ได้เนี่ยกูจะเห็นเลยนะ้าว่าเราไปอยู่กับหมู่เพื่อนฝูงหรือว่าอยู่ในสังคมไหนเออจริงๆแฮะความอบอุ่นความรู้สึกเป็นกันเองการช่วยเหลือเกื้อกูลกันมันเพิ่มขึ้นจริงๆไอแต่ก่อนบางทีขี้บนนะอึอัดขัดเคืองอะไรก็บนโน่ น, นบนนี่ บางทีก็ไม่กล้าไปว่าเขาต่อหน้าก็ว่ารับหลังว่าข้างๆเคียงเคียงบ้างอะไรเงี้ยก็ว่าไปแต่โอโหพอเราปฏิบัติอย่างนี้เออมันเปลี่ยนแปลงจริงๆฮ่นะจู่ๆขี้บนอะไรเงี้ลดลงเคยรู้สึกกับใครแบบ ต, ตึงๆเครียดๆเออลดลงแฮะคราวนี้เวลาเจอใครก็ค่อนข้างคิดไปในทางดีมากขึ้นมากขึ้น ก็คนที่คิดในทางดีมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยจิตมันก็ไม่ไประแวง mm. ใช่ไหมก็ไม่ไปกลัวนูน่น mm. กลัวนี่เพราะนั้นอารมณ์จะดีขึ้นเรื่อยเรออารมณ์จะดีขึ้น เ, เรื่อยเรื่อยวันใครทำมาอย่างเงี้ยทำได้นะจะเป็นคนที่แจ่มใสเบิกบานเพิ่มขึ้นแล้วในที่สุดไอ้ประโยชน์ที่เราได้รับอันเนี้ยมันก็มาหนุนอีกมหนุนทาให้ไอ้ความอึอดอัด กิเลสที่เราหมักหมมสะสมมาไว้เนี่ยที่มันยังเหลือเศษเหลือเชื้ออะไรอยู่ก็ตามไอ้ความเบิกบานแจ่มใสที่เราทําได้เนี่ยมันจะวนกลับมาอีกนะมาเป็นพลังงานที่จะมันหนุนดันไอ้พวกเหมือนกับน้ําดีเนี่ยมันหนุนดันไล่น้ําเสียทิ้งออกไปอีกมันเหมือนกับน้ำอะ่ะที่เขาใช้อ่ะใช้เสร็จแล้วเขาก็ไปไปลงท่อพักใช่ไหมแล้วก็ อะไรอะเปลี่ยนน้ำอะเขาใช้เขาใช้คำว่าอะไรนะเบอร์บำบาบบำบาบน้ำเนี่ยใช่จนกระทั่งในที่สุดจากน้ำเสียเนี่ยกลายมาเป็นน้ำดีน้ำธรรมชาติวนเอา ก, กลับมาใช้ได้อีกมันจะเป็นอย่างนี้เพราะะนการฝึกจิตการปรับจิตเราก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันไม่ใช่ว่าแม้ใครไม่มีกิเลสเลยมีแต่ในขณะที่มีเนี่ยใช่หัหเมันเกิดขึ้นเราจับได้ทันปั๊บ เราปรับเปลี่ยนแก้ไขแก้ไขเสร็จก็เป็นพลังที่ดีเนี่ยหมุนเอากลับมาใช้เสริมเอามาจัดการกิเลสเราใหม่อีกมันจะวนอยู่อย่างนี้แหละแต่มันเป็นวงจรที่ที่คราวนี้เป็นวงจรที่เราเรียกว่าอะไรมาร์กองแปดเป็นวงจรที่เราเรียกว่ามาร์กองแปดแล้วคุณไปดูเถอะวงจรใหญ่ๆเนี่ยสามมาทิฏฐิเนี่ยจับกิเลสรู้ให้เท่าทันให้ได้ จับได้จากอะไรจับได้จากภาษะจับได้จากการทำงานพอคุณจับได้ปับ๊บดูนะจะเป็นกายกรรมจะเป็นวจีกรรมจะเป็นมโนกรรมพอจับได้เสร็จปับ๊บปรับแก้ในมักคองแปดในต่้งหลายหลายข้อเนี่ยปรับแก้ไอ้นี่ไม่ดีอย่าไปทำออไอ้นั่นดีทาเพิ่มขึ้นอีกพอปรับแก้ได้เสร็จใช่ไหมอ่ากุจิตตั้งมัน่นจิตเป็นสมาธิอ่าสัมมาสมาธิ พอคุณได้ปั๊บยิ่งคุณมีความหนักแน่นมั่นคงในกุศลธรรมมากขึ้นมันก็ยิ่งมีพลันไปยิ่งไปเสริมสัมาทิฏฐิให้มากขึ้นอีกกลับมามวนอยู่อย่างนี้จนกว่ากิเลสคุณจะเกลี้ยงเลยจนกว่าจะหมดไม่เหลือเลยจะวนอยู่อย่างนี้เรื่อยๆ เ, เ, เ, เพียงแต่ว่ายิ่งนานวันเข้ายิ่งนานวันเข้าเนี้ยไอ้กิเลสตัวละเอียดเนี่ยมันก็ชักจะจับยากขึ้นเรื่อยๆยากขึ้นเรื่อย เนในหมู่พวกเรานี่ยหยาบหยาบเลยบางทีน้อยคนมีอยู่น้อยค น, นที่หยาบหยาบเลยเนี่ยพวกเราเนี่ยมันจะขั้นกลางๆเข้ามาแล้วขั้นกลางกางไปถึงขั้นละเอียดเราะนพวกเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยขั้นกลางๆคือขั้นคําพูดกับขั้นความคิดความคิดเนี่ยละเอียดที่สุดขั้นหยาบหยาบนี่โหลงไม้ลงมือโอ้ย พวกเราไม่ค่อยมีแล้วแต่หอกปากยังเยอะไงขัน้นกลางๆเยอะอีกหน่อยคุณจับได้ทันปั๊บคุณจะพูดคุณจะอะไรไปนี่คุณเรามัดระวังแล้วอ่าจะพูดจาที่มันเป็นสัมมาวาจามากขึ้นเพราะพอคุณทําอย่างนี้ได้เสร็จคันนี้ไปถึงระดับความคิดแล้วโอ้ความคิดไม่หวันไหวง่ายไม่แปรปวนง่ายเป็นความคิดที่ปรับให้เป็นสัมมาให้ถูกต้อง ได้ได้ดียิ่งขึ้นมันจะวนอยู่อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นอันเนี้ยนะฝ่าพวกเราว่าจริงๆแล้วเนี่ยการถือศีลปฏิบัติธรรมถ้าเราเข้าใจแล้วเร า, เาไม่ไปจมอยู่ะนะไม่ไปนิ่งเฉยอยู่เนี่ยอาตมาว่ายิ่งคุณอยู่วัดมาเป็น5้าปีเป็น10ปีโอโ้โหจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แก่วัดหรอกมันน่าจะแก่ธรรมะแก่ มักผลแก่อะไรเพิ่มขึ้นใช่ไหมถ้าเราปฏิบัติถูกทางจริงเนี่ยมันก็ต้องมักผลต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสิก็เที่ยงอยู่แล้วเนี่ยพุทธเจ้าท่านก็ตัสว่าเที่ยงอยู่แล้วที่มันจะเพิ่มขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแมมวันนี้ขึ้นพรุ่งนี้ลงแล้วแต่ว่าดวงจันทร์จะไปอยู่ทางไหนนะดวงจันทร์มาใกล้กับน้ําขึ้นดวงจันทร์ออกห่างเลยก็น้ําลง <c oughs> มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับดวงจันทร์่มันขึ้นอยู่กับดวงใจเราว่าว่าเป็นยังไงเราดูแลจิตใจเราไว้ยังไงบ้างถ้าเราดูแลไว้ดีใช่ไหมเอาไอ้ดวงจันทร์จะใกล้ดวงจันทร์จะไกลหมาถึงผัดสานั่นเองมันจะใกล้ไก ล, ก ล, กลยังไงมันทำลายใจเราไม่ได้อะใจเราคอยดูแลคอยเรามันระวังไว้ดีอยู่บางคนนั้นก็เนี่ยอีกหน่อยก็เที่ยงเลย ใครจะมาทำร้ายจิตใจเรานี่ยากต่มาเคยพูดเสมอเลยว่าส่วนใหญ่ไม่มีใครทำร้ายใจคุณหรอกเพราะใจคุณมาอยู่อยู่ของคุณเองใช่ไหมใครเ้าจะไปจับซ้ายจับขวาไ อ, อ้สมองคุณในใจคุณยังไงใครเขาจะไปจับได้ไม่มีใครเขาจับได้ก็สมองเราเราคิดเองไงก็คุณคิดให้มันทุกข์มันก็ทุกข์คุณคิดให้มันเลวร้ายมันก็เลวร้ายคุณคิดให้มันดีมันก็ดีสิเอ้า ก็มันอยู่ที่ความคิดคุณแต่ผู้เดียวอ่เมื่อว า, อาทิฏฐิผ่านมาพ่อท่า น, นยังบอกอะไรมโนปุพังเข้ามาทํามามโนเสรามโนมายาใจเป็นอะไรใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานในสิ่งทั้งปวงอะ่ะเพราะฉะนั้นนะจริงๆเนี่ยไอ้ที่ทุกข์อยู่ทุกวันเนี่ยใจคุณเองแหละไม่ต้องไปโทษใครหรอกก็คุณไปทําใจคุณยังไงไมันถึงได้ทุกข์อย่างนั้นน่ะเออ พอไปเห็นไอโนยไอนี้เหรอแล้วทำให้เราทุกข์กูไปเห็นหมามันเข้ามาในวัดแล้วมาบาขี่ไปกองโอ้ทุกข์เพราะไอหมาตัวนั้นหรือเปล่านะทุกข์เพราะหมาตัวนั้นหรือเปล่าจริงเราก็ไม่อยากให้มันต้องมาขี่เลอะเทอะถูกไหมแต่เอ๊หมาตัวนั้นมันขี่แค่นี้มันทําให้คุณทุกข์ได้เลยเพราะมันอยู่ที่ใจคุณคิดใช่ไหมอ่ถ้าคุณก็เอา้าไล่ได้ก็ไล่มันไปไม่เห็นจะต้องไปทุกข์เลยนี่ อ้าวเก็บกว่าได้ก็เก็บกว่ า, า ก, กวานไม่ไหวไม่มีแรงก็ให้คนอีกมนมากวาอ้าวใช่ไหมละ่ะโอ้ถ้าทุกข์พอเห็นกิเลสตัวเองนี่อาตมาบอกได้เลยว่าแสดงว่ายังไม่เข้าใจการปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าตัสรู้อะไรอา้าวจริงๆแล้วโอ้โหเห็นทุกข์ตัวเองนี่เหมือนกับเหมือนกับใครเหมือนกับพระพุทธเจ้าท่านตัสรู้อริยรรสัจสี่เนี่ยท่านเห็นทุกข์ใช่ โอ้โเราชักจะเหมือนทุกข์จเจ้าแล้วโอ้โได้เห็นทุกข์เนี่ยว่าเราชักจะเข้าเข้ากระแสแล้วไม่ใช่ว่ามัวโอ้โหเห็นทุกข์แล้วยิ่งทุกข์ใหญ่แสดงว่า น, นี่ไม่เข้าใจการตัดสัู้่ของพระเจ้าเลยสิทั้งทั้งที่เนี่ยฟังอยู่ตรง ต, อ ง, ตองอ่ะอ้าวพระเจ้าทำไมจะตัดสัู้่อะไรอื่นเลยนะสัจจะอันวิเศษสุขที่ท่านตัดสัลู่ได้คือได้เห็นทุกข์นี่เองก<เอ>็ตอนนี้เราเห็นทุกข์แล้วทําไมไม่ดีใจว่าเออ ชักจะเข้าเข้าข่ายชักจะเห็นทุกอริยสัตว์แล้วเพราะฉะนั้นควรจะดีใจถูกกับ่ะเออเพราะฉะนั้นวันไหนเห็นทุกโอ้โหดีใจยังเลยที่วันนี้เห็นทุกไม่ใช่ว่ามัวเสียใจหรือมามัวทุกใ จ, <S <S ใใจอ๋อมันเยอะจัง <S <S ก็ตอนนี้เราเห็นแล้วใช่ไหมว่าโอ้โหนี่กิเลมันเยอะเหลือเกินเนี่ยมันเลยทําให้เราทุกก็ดีสิก็บอกแล้วว่าเรายิ่งเห็นพวกกิเลมันเยอะเนี่ยจะยิ่งไม่ประมาท ส่วนใหญ่คนประมาทเพราะเห็นนี่แหละเห็นกิเลสมันเล็กมันน้อยถึงประมาทถ้าคนที่เห็นกิเลสเยอะเนี่ยคุณจะประมาทเหรอไม่ประมาทผมอีกตั้งเยอะแล้วเนี่ยคือยิ่งชักช้ายิ่งเสียเวลายิ่งแ ย, ย่ใหญ่ใช่ไหมเพราะฉ ะ, ะนะั้นยิ่งเห็นอย่างเงี้ยแบบเผลอๆนะมีอยู่สองเท้าเนี่แหละแม้ตะกี้จะบอกว่าสองตีนคือคือตกี้มันมันมันใบมันคิดว่ามีสี่เท้าก็จะไปเลยแหละตั้งสี่เท้าเลย ถ้ารู้ว่าโอ้โหกิเลสเรายังเป็นปึกๆๆเลยสองเท้ามันไม่ทันแล้วถ้ามีสีเท้าก็โกยเลยล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่จะทุกข์ไม่ทุกข์หรอกถึงบอกว่าถ้าคุณสัมมาทิฏฐิทุนมีคุณมีความคิดเห็นที่ถูกตรงแล้วก็ถูกต้องแล้วเนี่ยยิ่งเห็นทุกข์ยิ่งดีใจแต่ถ้าคุณมิจฉาทิฏฐิเนี่ยคุณ ย, ยิ่งเห็นทุกข์ยิ่งเขียวยิ่งเขียวยิ่งเสียใจว่าโอ้โหทําไมเรากิเลสมากอย่างนี้ คุณรู้หรือเปล่าว่าคนที่เขาไม่เห็นทุกเนี่ยโอ้โหเขากินเล็เขาหนาเตอะเลยนะหนายิ่งกับเราอีกนะแต่เขาสนุกเพลิดเพิน ม, มากเลยเพราะเขาไม่เห็นทุกนั่นนะขนาดเขาไม่รู้จากทุกเลยนะเขายังยินดีพอใจได้เลยโอ้โหไอ้ น, นี่เราโชคดีนะเพราะคนเห็นทุกเห็นยากบอกแล้วเปรียบมาให้ฟังตั้งหลายทีแล้วพุทธเจา้าบอกโอ้ยิงลูกธนูใส่ช่องดานี่ยนะ ในที่ไกลๆนี่ยากแล้วเสร็จแล้วก็อะไรอะเอาเส้นขนเนี่ยในแนวตั้งเนี่ยมาผ่าออกเป็นเจ็ดแฉกเท่าๆกันโอ้โหยากนะแต่พระเจ้าบอกว่าเห็นทุกข์อะยากกว่านั้นยากกว่าจักเช่นเส้นผมเป็นเจ็ดแฉกเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณนึกดูสิพอคุณนึกแค่คําที่พระเจ้าท่านตรัสเปรีบเปิดอย่าโอ้โหวันนี้เห็นกิเลสเราอะ่ะ โชคดีจังเลยนี่อืหโชคดียิ่งกว่ายิงธนูใส่ลูกุญแจยิ่งกว่าจาักเช่นเส้นผมเป็นเจ็ดแฉกซะอีกเนี่ยเพราะนั้นแทนที่จะทุกข์นะคุณไม่ทุกข์เลยคุณจะดีใจว่าโอ้โหได้เห็นอีกแล้วเพราะการได้เห็นกิเลสหรือการได้เห็นทุกข์เพราะกิเลสของเราเนี่ยแหละเราเห็นได้เราถึงจะฆ่ากิเลสได้คนที่ไม่เห็นว่ากิเลสเนี่ยทําให้เราทุกข์เนี่ยนะคนนั้นไม่ไม่ฆ่ากิเลส จะไปฆ่าคนอื่นแต่จะไม่ฆากิเลสแต่คนที่เห็นมากิเลสนี่แหละทําให้เราทุกข์ใช่ไหมเห็นมากิเลสของเราเนี่ยแหละทําให้เราทุกข์คนนั้นจะฆากิเลสแต่คนที่ไม่เห็นกิเลสทําให้เราทุกข์แบบนี้ชอบไปเห็นกิเลสคนอื่นเพราะฉะนั้นจะไปฆ่าคนอื่นเลยครไม่ฆากิเลสจะไปฆ่าคนอื่นเขาเลย <laughing> จะไปฆ่ากิเลสคนอื่นนั่นแหละแต่เพอเอจะไปฆ่าเขาตายเอาเพราะฉะนั้นอันเนี้ยให้ให้เข้าใจให้ถูกต้องให้เป็นสัมมาอ้าววันนี้พอเท่านี้